ขอความสุขความเจเริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุะมกะลังนำเสนอประวัติของพระสารีบุตรอยู่และอยู่ในช่วงที่ท่านกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเชิงเทียบเคียงด้วยประการต่างๆ มาถึงช่วงหนึ่งท่านกล่าวว่าเปรียบเหมือนดวงจันทร์ซึ่งปราศจากมนทินโคจร อ, อยู่ในอากาศธาตุย่อมสว่างเกินมวลหมู่ดาวในโลกด้วยรัศมีแม้ฉันได้ข้าแต่พระหมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันศิษย์ทั้งหลายห้อมล้อมแล้วย่อมรุ่งเรืองล้ำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ตลอดพุทธเขตทุกเมื่อคลื่นที่เกิดขึ้นในน้ำย่อมลึกไม่ล่วงเลยฝั่งไปได้คลื่นเหล่านั้นทั้งหมดกระทบฝั่งเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าสันใดเราชนผู้เป็นดีรจีเป็นนันมากในโลกผู้มีทิ่ติต่างๆ ต้องการจะข้ามทาข้ามธรรมของพระองค์แต่ก็ไม่ล้ำพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ฉะนั้นเหมือนกันก็สรุปเทียบประเด็นต่างๆคือว่าเป็นที่น่าสังเกตะฮะว่าจะมีอุปมาอุปไมยในเทียบเคียงอยู่ตลอดระยะเวลา ก็มีการพูดกันว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นเป็นธรรมะที่เกิดจากป่าพระเจ้าก็ประสูตรในป่า ส, สรุ ก, ก็ในป่าแสดงปฐมเทศนาก็ในป่าแล้วก็ไปนิพพานก็ในป่าบนธรรมชาติรอบตัวนี่จะกลายเป็นอุปรกรณ์ในการสื่อสารก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นประทับอยู่ที่ไหนข้อนี้พระสารีบุตร ราบทูนในช่วงที่พระเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬวันก็คลุมราศีคืกบริรเวณรอบนอกก็เป็นป่านะเป็นป่าแล้วก็แม่น้ำคงคาเองก็ไม่ไกลส่วนแม่น้ำเหลออื่นก็ไกลออกไปแต่ว่ามันเป็นที่รับรู้ของคนในชุมพูทวีโดยเฉพาะ ปัญจามาณฑีแม่น้ำสิงห์ทูแม่นม้ำชลประดีแม่น้ำจันทร์ภาคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสรภูแม่น้ำ ม, มหีแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าพอมาพูดปับ๊บมันก็เกิดเป็นภาพพจน์ขึ้นมาแล้วก็เทียบเคียงให้ดูเออท่านเทียบเคียงถึงว่าคลื่นที่มันซัตเข้าหาฝั่ง คลื่นของหมาสมุทที่ซักขาวฝั่งเนี่ยมันล้มฝั่งขึ้นไปไม่ได้ก็กระทบฝั่งแล้วก็ถอยกลับไปแล้วก็ซัดมาใหม่บนคำสอนของลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นแม้พระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์จะไปแก้ลัทธิต่างๆของใครอย่างไร คมุกจะสอนเรื่องทุกข์เกิดแห่งทุกข์ความรับทุกข์ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกข์แก่มาหาประชาชนเนี่ยแต่ก็มีคนกล่าวข้อความเหล่านี้หรือว่ามายกกว่าทะาโต้เถียงกับพระพุทธเจ้า พ, พระเจ้าก็จะส่งชี้แจงจะส่งอธิบายแล้วการชี้แจงการอธิบายนั้นถ้าหากว่าเขากะด้างเขาก้าร้าวเกิดไป ก็จะทรงใช้วิธีที่เรียกว่าปฏิบุตษาพยากรณคือจะเอาความคิดอ่านของเขานั่นแหละหมายเป็นเครื่องมือตลบไปถามเขาจำนวนบาลีเรียกว่าเอาผลไม้ป่าผลไม้ก็เราก็บอกว่าเอาอาดยายซื้อขนมยายหรือว่าไม้คอนเจ็กติหัวเจ็กนี่ก็เป็นเรื่องที่ใช้ แล้วก็คาตอบของเขาก็ตอบไปเรื่อยๆมันจะออกเป็นคำเฉลยเองคำเฉลยที่ถูกต้องแล้วก็มาเข้าคันลองธรรมะที่ผู้เจ้าทรงแสดงตัหลการพยากรณ์ในหลักการโต้ตอบชี้แจงของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่สี่วิธีวิธีหนึ่งเขาเรียกเอกังสะพยากรณ์คือทรงพยากรณ์ไปโดยส่วนเดียวพูดไปแนวเดียวเช่นทาดีได้ดีทาชั่วด้วชั่วเนี่ย ชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพลาดพระสูญเสียจะต้องประสบความโศกความรับใยรำพันความทุกข์พันเสียใจคำครับแข้นใจเนี่ยอันนี้พูดเป็นอย่างเงีนบไม่ได้จะนว่าถือว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายนั้นพูดไม่ได้เพราะสัจธรรมมันมีหนึ่งเดียวแต่นั้นเองก็คือต้องแก่เจ็บตายหรือกฎของเราใลักอย่างเนี้ย กดของไตสิกขากดของไปลักเรื่งองอบัยมุกทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทางแห่งความเสื่อมทั้งนั้นแหละแต่การพูดว่าเป็นทางมันเราจะเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ไปร่วมเป็นทางความเสื่อมก็จะเดินไปก็จบไม่มีปัญหาอะไรเป็นการชี้ทางให้เรืยกออกแต่พูดอย่างอื่นไม่ได้ พูดจากนั้นท่านั้นคือยืนยันนั่นน่นเป็นหลักการทําดีได้ดีทําชั่วดีชั่วเป็นหลักของกฎของกรรมมันเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันผู้เจ้าศัตรูกฎ ต, ตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงระหว่ังผลกับเหตุได้ในทุกๆเรื่องว่าผลเหล่านี้เกิดมาจากเหตุนี้ผลนี้เกิดจากเหตุนี้เหตุนี้ต่อไปจะเกิดผลอย่างนี้อะไรเนี่ยคือไปลงตัวอย่างนั้นน่ และโสรุปก็คือว่าอะไรก็ตามที่สืบเนื่องมาจากสมุทัยสัตว์สิ่งนั้นจะต้องเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่สืบเนื่องมาจากมรรคสัตว์สิ่งนั้นจะต้องเป็นสุขเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงทุกข์ในสังสารวัตรถึงถึงสุขที่พ้นจากสังสารวัตร ก็หมายความมาตราใจที่เรายังเวทว่ไหตายเกิดอยู่ในสังสารวัอยังไงยังไงก็ต้องไปทุกข์อยู่นั่นเองอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิปุชฉาพยากรณคือย้อนถามเอาความคิดความอ่านความเห็นของเขาในะแหละย้อนถามให้เขาตอบเองตอบเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นคำเฉลยที่ถูกต้อง อย่างนี้อย่างอย่างที่เคยเล่าเรื่องโกสภ า, ารัฐวาชาพระรามตื่นเช้ามืดโกรพระพุทธเจ้าก็มาถึงก็ด่าเลยพทธเจ้าก็ประทักฝังเฉยๆพรามเหนื่อยแล้วก็รับสั่งถามว่าพรามไม่ละแขกมาถึงบ้านเนี่ยท่านก็มีของมาต้อนรับแขกใช่ไหมแก่ก็บอกว่าใช่ แล้วถ้าแขกนั้นไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นของนั้นจะเป็นของใครแกก็บอกว่ากลับเป็นของแกทูตเจ้ก็บอกว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละคำด่าทั้งหมดที่ด่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะไม่รับนะไม่มีการบริโภครวบรามก็รู้ทันดีว่าแก่เสียท่าแล้วแต่ในสุดก็จำหนนต่อพระพุทธเจ้าก็ออกบวชจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนะคนก้าวร้าวขนาดเนี้ย พอถูกท่าถูกทางเข้าก็าไปได้ลิฟมอนกันอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิบุติทรพยากรคือถามถามให้เขาตอบนะถามกลับคือไม่ใช่วิพัชนาทรพยากรหรือวิพัชนาพยาก ร, ร, ชชาากรคือจำแนกแบ่งแยกจาแนกแบ่งแยกสิ่งเหล่านั้น ให้ออกมาชัดเจนวันนี้เป็นความดีนี้เป็นความชั่วความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ความดีให้ผลเป็นสุขอะไรแต่ไหก็จำแนกแบ่งแยกในขณะที่แบ่งแยกออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไปยืนยันยืนยันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่เรื่องบางเรื่องมันไร้สาระคือพูดไปมันก็เท่านั้นแหละไม่ได้ประเด็นไม่ได้ไไดไประโยชน์อะไรขึ้นมาพระเจ้าก็ใช้ถานิยะคือนิ่งไว้ไม่ตอบไม่พูด และถ้าพูดก็พูดโดยปริยายที่ลึกซึ้งลึกซึ้งเขาเรียกว่าอาตัตยาตรรมวิทยาคือมันเป็นระบรบระดับอภิปร า, านะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีการจดแนกแยกๆเราคนเราเกิดมาเพราะอะไรอย่างี้ยรถ้าจะอธิบายมันก็ต้องอธิบายตามกฎของปฏิจจสมุปบาท มันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่จะบอกว่าเพราะเหตุนั้นเหตุนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเดียวมันไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีสองอย่างคือต้องมีกิเลสกับกรรมแล้วก็นำไปสู่ไปสนทิบิญญาณก็เข้าสู่กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเรืกนหนึ่งท่านก็บอกว่าอธิติคือความเห็นต่างๆที่ของนักบวชนอกศาสนาซึ่งมีเยอะแยะนะฮะ แล้วก็เคยพูดมาโดยสรุปในปรมาชาละสูตรเพราะว่าทิฏฐิเหล่านี้ใ น, นแง่ของความเป็นจริงปัจจุบันเขาก็มีอยู่ครบนะยังไม่หายไปไหนหรอกคนก็ยังมีความเห็นในแนวนี้อยู่เป็นจนํานวนมากแม้แต่สังคมเราจะเป็นสั ง, สงคมพูดก็เถอะก็มีคนที่เชื่อเห็นในแนวนี้อยู่ไม่ใช่น้อยด้วยกันแต่ว่า มันไปขัดคานคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้คำสอนของเขาเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นของเขาที่เขาแสดงมาเนี่ยแล้วในสุดก็ไปเทียบเคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพ่ายแพ้ไปเพราะว่าถูกคำสอนเนี่ยมันมีเหตุผลสมเหตุสมผลและพิสูจน์ได้แต่ของเขาบัดพิสูจน์ไม่ได้อ่ะ ก็อย่างแม้แต่เรื่องพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยก็ที่ยิงมาเรื่องพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าก็มีกลุ่มคนเขาเชื่ออยู่มากกว่าคนที่ไม่เชื่อนะในโลกนี้คนที่เชื่อในเรื่องนี้ไม่น้อยกว่าคือประชากรโลกไวลเนี้ก็มีหกพันแปดร้อยล้านก็ อ, อีกไม่กี่ปีนะฮะก็จะเป็นเจ็ดพันละ ประชากรที่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกนี่เยอะกว่าประชากรที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็ธรรมดาเขามีความเห็นขอเขาอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องเคารพความเห็นของเขาแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีใครมาคัดค้านเนี่ยมันก็แหลกสลายไปเลยแม้แต่เอามาคําสอนเหล่านั้น สิ่งคําคับข้านเหล่านั้นไม่สามารถจะทําลายหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เอาไว้ ไ, วได้ประการสําคัญมันอยู่ที่ว่าของพระพุทธเจ้ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเทียบนะฮะก็เมื่อกับวิทยาศาสตร์คือมันเป็นการพิสูจน์ทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วก็ยุติลงตัวเป็นอย่างนั้นสูตรผสมมันเป็นอย่างนั้น สิ่งนั้นมาบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นประสมกับสิ่งนั้นก็ไปเจอสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นก็ตามกระบวนการที่เขาศึกษากันอยู่เนี่ยแล้วท่านก็อุปมาอีกบอกว่าเรียบเหมือนดอกโกมุสบวกขมและเบือเปื่อนเป็นนั้นมากที่เกิดในน้ําย่อมอือบอาบด้วยน้ําและปึกตรมฉันใดสัตว์เป็นนั้นมากไปฉันนั้น เกิดขึ้นแล้วในโลกถูกราคะและโทสะบุงแต่งย่อม ง, งอกงามเหมือนดอกโกมุดงอกงามในปึกตรมฉะนั้นคือหมายความมาให้รองสังเกตว่าเหตุเกิดราคะก็ดีเหตุเกิดโทสะก็ดีเนี่ยมันก็ไปอิงอาศัยสิ่งที่ปฏิกูลทั้งหลายพูดง่ายๆว่าเกิดจากกายเราก็กายคนอื่น หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเสร็จแล้วก็ปฏิกูรณ์นะมีราคะมีความกำหนัดเป็นความพอใจพอใจมันสำรอกราคะได้พวกนี้จะเป็นจํานวนมหาศาลเท่าไรก็ตามท่านเหล่านั้นไม่ต้องการแล้วก็โทสะก็เหมือนกันเมื่อราคะมันดับไปเนี่ยโทสะเขาก็ดับคือมันมีเหตุจะต้องโปรด โกรธเพราะมีความรู้สึกพอใจติดใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็คนอื่นมาพอใจติดใจในสิ่งนั้นเขาก็ไม่ชอบก็มีการยื้อแย่งมีการต่อสู้กันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกผลตราบใดที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ท่านกล่าวว่านัสยาโลกัวัตโน ท่านแปลว่าอย่าทำตนเป็นคุนรบโล ก, โลกแต่ถ้าเราดูปฐมเหตุจริงๆมันเป็นการถกเฉียงกันระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานสาวข้านางวิสาขาก็แบบพ่อแงไม่งอนน่ะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรง แ, แสดงอนุโลมคือคล้อยตามภิกษุนั้นไปก่อน นางวิสาขาเองก็ไปทวงติงหลานสาวก็ทำให้พระ่รูปนั้นก็ใจชื้นขึ้นสบายขึน้นและในสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนถึงถึงวิธีการต่างๆสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าความจริงเนี่ยมันเป็นถึงปฏิกูลเพราะฉนอย่าทำโลกให้รกเกิดที่จริงก็คือการที่เนี้ย ก็การจเจริญเติบโตกันเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยโลกขอรกนะครโลกมองร ก, กประชากรเพิ่มขึ้นมากเท่าไรโลกของกรกขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็สร้างสิ่งที่รกๆขึ้นไปอีกมากมายแก่ก่อนแล้วก็พูดง่ายๆว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับการมาคุณตราบใดยังมีการมคุณมันก็มีรักชังมีราคะมีโทสะ แต่กำหนดใจว่าหน้าใคร่นาปราถนาน่าพอใจแล้วยังไงก็ต้องมีก็ในที่สุดภิกษุรุ้าก็บรรลุมรคนะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอมองในฐานะชี้และน่าใคร่นาปราถ น, า, นาผู้หญิงก็คงจะคิดแนวนั้นแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเข้าแล้วก็สรุปประเด็นประเด็นว่าอยาทำโลกให้รก ในความอยากเพิ่มจำนวนประชกรทัานก็มองเห็นโทษอย่างที่เคยเล่าประวัติของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือว่าพระพุทธเจ้าของเรานะี่ยเราเห็นว่าความกำหนัดพอใจในทรัพย์สินคารทั้งหลายเนี่ยมันหมดไปเลยหมดจนสละหมดเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันหมดไม่ใช่กิเลสมันหมดกิเลสมันสงบจนไม่ต้องการจะมีแล้ว สมัยนั้นท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะแต่ว่ากำลังจะได้รับการพยากร์ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์พระชายาบุตรพระมคลลานะหรือแม้แต่พระยุคแรกๆกที่เรามีประวัติชัดเจนจะมีฐานะส่วนใหญ่แล้วจะบ้างครั้งร่ำรวยมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นกษัตริย์ก็มีหลายองค์เป็นราชกุมารก็มีเยอะ เป็นลูกเศรษฐีหมาเศรษฐี í, เป็นตัวเศรษฐีเองก็ แ, แสดงว่าราคามันลดเวราคามันลดโทสะมันก็ลดแล้วในสุดถึงจุดหนึ่งท่านก็เห็นโทษของราคะแล้วก็สละสิ่งเหล่านั้นออกมาออกบวชพ้นเนื้อหาสาระในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าคำสอนนั้นเพื่อความสารวม เพื่อละเพื่อความปราศจากราคะแล้วก็เพื่อนิพพานเมื่อหาหลักมันก็อยู่สี่เรื่องหมายความว่าตราบใดที่เราไม่จางจากกิเลสเหล่านี้ตราบนั้นก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะที่กวีนว่ายายเกิดอยู่อย่างนี้แต่ว่า วันใดที่มองเห็นโทษชัดเจนเหล่านี้ปัญหาจะติดตามมาอีกเป็นอันมากทีนี้จิตใจของพระรนั้นก็อุปมาเหมือนกับว่าไอ้พวกบัวเนี่ยพวกพวกบัวทั้งหลายที่ท่านยกมาว่ามันเจริญเติบโตด้วยเปลือกตรมเนี่ยแต่ว่าดอกบัวเนี่ยมันชูก้านพ้นเปลือกตมพ้นน้ำขึ้นมา น้ำก็จะแปดเปื้อนจะซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เพราะจิตใจของบุคคลที่ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเปลือกตมซึ่งเปรียกเหมือนกามเนี่ยมันก็ถูกแยกออกไปจากจิตจิต ก, ก็จะน่ายในเรื่องเหล่านั้นแล้วจะถึงจุดนึ่งก็จะสละออกไป ตั้งแต่ว่าพระจิตเจ้าอันเราสันเสริญและด้วยกำลังของตนอย่างไรส่วนหลายไม่จะสันเสริญตลอดโกรแแ่งกลับก็จะเพึงสันเสริญอย่างนั้นเหมือนกันแต่และใครๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามผู้ศึกษาดีแล้วพึงสันเสริญให้สุดประมาณพู้นั้นก็จะลําบากกระเป๋าคือมันไม่มีใครไปสันเสริญได้หมด ไม่มีใครไปอย่างรู้พระพุทธคุณได้ลึกซึ้งมากมายไก่กองยังเคยพบกันเทศของพระครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ น, นะฮะที่ท่านสิ้นไปแล้วเราจะพบว่าการเทศบางกันในอธิบายพุทธคุณลึกซึ้งได้เกิดอย่างเช่นของพระอาจารย์มั่นเนี่ยอาจารย์มั่นผู่อิทัตโตหรือของพระอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์กัน อธิบายได้ลึกซึ้งมากก็แสดงว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสัมผัสทางใจของท่าที่ได้สัมผัสมาอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นพระเทรักประกราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกยบุตรผู้ทรงมีพระย์ใหญ่ข้าพระองค์ดำรงอยู่ในพระาศาสนาของพระองค์ ถึงที่สุดแห่งปัญญาบา ร, รมีแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ข้าพระองค์ย่ายีเหล่าเดรถียังศาสนาของพระจีนเจ้าให้เป็นไปอยู่วันนี้ข้าพระองค์เป็นธรรมเสนาบดีในศาสนาของพระภูมีรพระภาคเจ้าผู้ศักยบุตรก็แสดงว่าช่วงตรงนี้มั น, ม, นมันต้องผ่านเวลามาคือท่านไม่ได้บอกนะท่านไม่ได้บอกว่าพูดที่ไหนกราบทูลที่ไหน แต่ว่าเป็นการกล่าวสรรเสริญต่อพระพักก็ได้รับหลังก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นการสรรเสริญด้วยความศรัทธาเลื่อมใสภายในใจของท่านาลืมว่าใจ ต, ตอนนั้นท่านเป็นพระหรหันแล้วก็มีพระย์ก็คือพระเกียรติคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกียรติยศทีนี้ก็ทำให้มันมีอิสย์ยศคือเป็นใหญ่กว่ากิเล แล้วก็คนก็เคารพนักถือก็กลายเป็นบริวารยศแต่ทั้งหมดมันแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ปัญญาของบุคคลเหล่านั้นหมายความมาถ้าเขาไม่มีปัญญาเนี่ยเขาเขาไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเขาก็จะไม่มามอบตัวเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า แสดงว่าเขาก็ต้องมีศรัทธามีปัญญาอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแหละระดับที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะพุทธมามิการนี่ก็ถือว่ามีศรัทธาระดับหนึ่งที่สุดแห่งปัญญาบรารมีก็คือสุดๆดแห่งปัญญาบรารมีนี่ก็คือบรรลุธรรมนั่นแหละมันก็จบท่า น, น, นั้นเด็กมาความมรรลุมะผลเป็นพระหานก็ถือว่าที่สุดแห่งปัญญาบรารมีแล้วเพอะไรเพราะว่า พลังแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นได้ทําลายอาวิชาซึ่งตรงกันข้ามได้หมดสิน้นผลสรรพกิเลสทั้งหลายที่มีชื่ออย่างไงก็ตามมันสืบเนื่องมาจากอาวิชาเมื่อวิชาซึ้งเป็นรากงาของสรรพกิเลสถูกทําลายในชื่ อ, อยังอื่นมันก็ถูกทําลายตามไปไม่มีภารกิจที่จะต้องทําที่เรียกว่ากระตังกันในยังคือกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วพิสูจนด้วยอะไรด้วยอาสวะ หมดไปสิ้นไปจากจิตใจอสวาคุยกามาสวะภวาสวะวิชาสวะนี้เราเจอบ่อยนะฮะเพราะว่าพระอรหันนั้นเวลาถึงจุดหนึ่งท่านเรียกว่าอาสเวหิติตานิวิมุติงสูติจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวาทั้งหลายไม่ถือมั่นหรืออุปาทานนี่ก็คือคือลักษณะที่พูดบ่อยพูดถึงบ่อยเป็นการเน้นที่บริสุทธิ์คุณ การเน้นในความบริสุทธิ์หมายความเมื่อปัญญาสมบูรณ์เนี่ยกิเลสมันก็หมดไปอย่างสมบูรณ์เมดไปอย่างสมบูรณ์ใจใจของท่านก็บริสุทธิ์บิสุทธิโลกก็ธาตุของท่านก็จะมองสัตว์โล ก, ด, กด้วยความกรุณาด้วยความกรุณาปรารถนาที่จะเห็นสัตว์โลกเหล่า น, นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสังสารทุกอย่างที่ท่านได้หลุดพ้นไป ก็พยายามใช้เวลาชีวิตของท่านเท่าที่ดํารงอยู่บำเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องโกลกาหรือกรรมปโกคือพูนเคราะห์ต่ อ, อ, ตอโลกพระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีบางทีก็เรียกต่อไปเลยว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรหมายความว่าพระสารีบุตรผู้เป็นเสนาบดีแห่งธรรม เทียบแล้วพระพุทธเจ้าเหมือนกับธรรมราชาภาษาดิบุตรก็เหมือนกับหัวหน้าของเสนาบดีอาจจะเรียกตามโครงสร้างของเราสมัยการปกครองระบบสูงบุญญาสิทธิราชก็เรียกว่าอัครมาหาเสนาบดีก็เป็นตําแหน่งที่ได้รับการยกย่องเพราะว่าผลงานของท่านที่โดดเด่นแล้วก็ เป็นสิ่งที่ท่านสร้างสมบรมบา ร, รมีมาในดิกตการก็เพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนี้พึงสังเกตว่าคำกล่าวของท่านทั้งหมดมันจะเน้นไปที่พระพุทธญาณแต่มันก็แสดงถึงเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ก็คือการบรรลุมรควลเป็นพระหรันหรือพูดง่ายๆว่าการลดละจางคลายของกิเลสไปโดยลําดับมันก็เข้าสู่วิถีแห่งกุศลเหล่านี้แต่ท่านบอกว่ากรรมที่ข้าพระองค์ทําไว้ในกับอันหาประมาณไม่ได้ไม่ได้แสดงผลแก่ข้าพระองค์ณนะทีนี้กระวงเผากิเลสของข้าพระองค์ได้แล้ว เหมือนกำลับบงลูกศรที่พ้นดีแล้วฉะนั้นมนุษย์คนใดคนหนึ่งพึงทูลภาระไว้บนศีรษะตลอดกาลเขาได้รับความลำบากเพราะภาระเพราะว่าเขาทูลภาระไปอย่างนั้นคนเรามันมีภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบริหารขันอย่างเดียวนี่เราก็ยุ่งแล้วเรียกรวมรวมว่าขันขันภาระขันทภาระ ภาระคือขันเราต้องแบกทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณในทุกวันเนี่ยเรียกว่าในเดือยกับเรื่องเหล่านี้มากมายกายกองเลยเกิดการต้องประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยแล้วก็ขยายไปเป็นการแบกขันห้าทีละขันทีละขันมีบริวารมีครอบครัวมีสามีมีภัญญามีลูกมีหลานอะไรแต่ไหนก็ ก็เรียกว่ามีภาระด้วยกันเท่นั้นทีนี้การพ้นของท่านเนี่ยมันเป็นการพ้นเด็ดขาดพ้นจากกิเลสและกรรมอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ากิเลสหมดจริงแต่ว่ากรรมอดีตเนี่ยไปละมันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเกิดมาแล้วดับไปแล้วถ้าหากว่าเขาตามมาทันก็สามารถจะสแสดงผลได้ทั้งบุตทั้งลูก ยามพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะมีผลของอดิตกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีนะมาให้ผลแก่พระองค์ถึงจะรู้สุกจะสิบเจ็ดข้อนะสิบเจ็ดกรณีด้วยกันก็รับสั่งเชื่อมโยงให้ดูว่าอันนี้ยมาจะเขตอย่างนี้อันนี้มาจะเขตอย่างนี้อันนี้มาจะเขตอย่างนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีผลวระาษาดีบุตรท่านพูดในกรณีของกรรมที่หลังจากหมดอาสวะแล้วมาความว่า กรรมเหล่านั้นมันไม่เกิดอ่ะการกระทาการพูดการคิดอะไรแต่ใดข้อท่านก็เรียกว่าศักแต่ว่ากิริยาเป็นเรียกว่ากิริยาจิตสมนวนอภิธรรมเรียกว่ากิริยาจิตคือศักด์แต่ว่าเป็นกิริยาเท่านั้นไม่ได้มีผลเป็นวิบากกรรมเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันไม่มีกิเลสที่จะให้เกิดผลเป็นวิบากเนี่ยมันไม่มี ก็ต่อไปตั้งกล่าวว่าเราถูกไฟสามกองเผาอยู่เป็นทุกข์ด้วยการแบกภาระคือภพไฟสามกองก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนั่นแหละถ้าพูดกับพระก็ะพูดอย่างนีน้แต่ถ้าพูดกับชาวบ้านก็พูดบอกไฟโลภะโทสะโมหะหมายความว่าตก็กิเลสอกุศลมูลสามกองนั่นแหละแล้วก็บอกว่า เพราะการแบกภาระเนี่ยท่องเที่ยวไปในภพต่างหลายเหมือนคนถอนขุนเขาสีเนรุวางไว้บนศีสะฉะนั้นคือหนักตลอดระยะเวลาเลยตัวอย่างเทียบเคียงนยว่ามันหนักเหมือนกับแบกภูเขาภารกิจที่จะต้องแบกต้องหามเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยและเกิดมันหนักและเกิด นี่ก็เป็นการอุปมาเทียบเคียงนะฮะไม่ใช่ว่าเอาภูเขาสินเนรุมาวางบนศีรษะได้แต่ก็นึกถึงแบกก้อนหินหนักๆกันมันมีภาระวิตกกังวลเคร่งเครียดอยู่ตลอดแล้วก็ในปัจจุบันเราจะพบการต่อสู้เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ก็มีความรุนแรงมากขึ้นกฎหมายก็เกิดช่องบ้าง เกิดปัญหาทางด้านกฎหมายในแง่มุมต่างๆแล้วก็มีทุกส่วนของโลกนะแล้วก็มีทุกยุคทสมัยคือกระแสของกิเลสเราจะลืมว่าเขามีมายามีความเสแสร้งความโอ้อวดความแข่งดีความหลอกลวงอะไ ร, ะรต่างๆอีกมากมายแก่กองซึ่งในที่นี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการแสดงไว้เหมือนกันแล้วก็บอกว่า ฉะนั้นบัดนี้เราปรุงภาะระลงได้แล้วตอนพบทั้งปวงขึ้นได้แล้วทํากิจที่ควรทำทุกอย่างในพระาศาสนาของพระภูิมีพระภาคเจ้าศักระบุตรเสร็จแล้วในกําหนดพุทธเขตพุทธเขตก็คือกรอบของคําสอนพระพุทธศาสนาทั้งหมดเขตบางทีก็เขตก็มาจากนานะอยู่เขตจะมาจากนาเช่นเช่นเดียวกับคำว่ากษัตริย์ กษัตริย์ก็มาจากเขตคือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเราเรียกว่าเจ้าแผ่นดินก็ภารกิจเหล่านี้ท่านพระเถระได้บอกแกเพื่อนพิกสุด้วยกันตรงนี้เล่าแกเพื่อนพิสุด้วยกันบอกว่า เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประเสริฐกว่าสักยะเสียเราเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาหมายความว่าคนทั้งหมดเนี่ยพระสมบัติยกเว้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้เลิศในด้านปัญญาหรือพระเจ้ยายกย่องนะฮะยกย่องว่าสามารถแสดงธรรมจักรกับตระสูตรให้เป็นไปเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสแสดงแล้วก็บอกว่า เราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิถึงที่สุดแห่งริดวันนี้เราปรารถนาจะจะเนรมิตคนขึ้นสักหนึ่งพันก็ได้เกีออ น, นี้เป็นมนโนปยิธินะฮะเป็นมนโนปยิธิอย่างหนึ่งเอ่อเท่าที่พบในหลักฐานคำพีไปไปดกูการตรรกะนี่นะพระจุลปันทกเนี่ยเคย แบ่งร่างกายออกไปเป็นพันเต็มวัดเลยพระเต็มวัดไปเลยแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวก็ชื่อจุลปันทูกทั้งหมดเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่าเวลรเนียท่านเป็นประหารแล้วเพราะว่าพี่ชายของท่านพระมหาปันกะนั้นก็ลงโทษท่านรุนแรงจนถึงกระไรให้สุ จ้ก็ส่งสอนกรรมฐ า, านให้โดวยวิธีให้บริกรรมผ้าขาวเฉยๆนะฮพอจิตจใจสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันเหงื่อมันก็ อ, อกเหงื่อออกตาม ง, ง่ามมือตามนิ้มือพอทาให้ผ้าขาวมันก็ดาไปค่อยๆคล้ำไปแล้วก็สกปรกเปื้อนเปนกับเหงื่อคลต่างๆต่างก็พิจารณาถึงความปฏิกูลของร่างกายเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหัต์ ทีนี้ทศสารีบุตรนั้นก็เคยอาสาที่จะแสดงปฏิาจปฏิหารตอนพระเจ้าจะแสดงจะมกปฏิหารที่กรุงสาวัตถีนี่ทศสารีบุตรก็เสนอจะแสดงก็เสนอกับทุกองแแหละแต่พระเจ้าปฏิเสธไม่ให้แสดงบอกว่าพระองค์รู้ว่าพวกเธอแสดงได้ทั้งนั้นแต่ภารกิจตรงนี้มันเป็นภารกิจ ของประาคตคือเป็นของพระพุทธเจ้าที่จะต้องกำราพูกอัญยะเดรฉีทั้งหลายแกล้ๆมันเป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องแสดงยมกปฏิหารก็แสดงพระโมคคัลลานะก็เสนอทุกภิกษุภิกษุณีบาสุปฏิการเนี่ยเสนอกันทั้งหมดน่ยท่านที่บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านที่ได้พิญญาท่านก็แสดงได้ แสดงได้ก็ยิ่งหยดแตกต่างกันและนะความสามารถรองคงจะแตกต่างกันพระมหาโมนีเจ้าทรงเป็นผู้ชำนาญในอนุภพวิหารตามสัดสอนแก่เราอนุภพะวิหารก็คือยานที่เข้าไปตามลำดับตั้นแต่เนี่ยปฐมยานไปเรื่อยๆปฐมฌานนะคระับปฐมฌานแล้วเข้ารูปฌานแล้วก็ไปออกที่ อะไระ น, นิโรธสมาบัติข้าวที่นิโรธเข้าไปตามลำดับน บ, บุปผวิหารก็มีเก้าอย่างแล้วก็มีนิโรธเป็นที่นอนของเราคือการดับกิเลสเนี่ยมันเป็นการดับของจิตคล้ายๆกับเป็นเรือนจิตของพระอราหันต์ทั้งหลายคือบริสุทธิ์ชั่วนิรันดร เป็นความไมสุดชั่วนิรันดร์แต่ก็ต้องหมายความว่าปัญญาก็อยู่ด้วยความไม่สุดก็อยู่ด้วยกรุณาก็อยู่ด้วยเต็มเปี่ยมด้วยทั้งสามประการนั่นแหละเรามีที่ระจากสุขันุจุดคือสามารถกําหนดใจที่จะเห็นอะไรที่ไหนก็ได้แต่ข้อนี้ต้องฝังลองสังเกตนะว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันไป สัมพันธ์กับจิตที่บริสุทธิ์และปัญญาที่สมบูรณ์อย่างน้อยจิตต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ระดับฌานถ้าจิตยังเป็นสามัญชนเนี่ยไม่มีทางเกิดได้นะเพราะอะไรเราลองนึกดูสมมติดูนะสมมติว่าอุทิตาทิพย์เนี่ยอุทิตาทิพย์ถ้าเกิดขึ้นแก่สามัญชนแล้วตายในโลกนี้ยุ่งเลยโลกนี้จะยุ่งหมดเลย คนคนนี้จะรู้อะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็บอกกล่าวพักพวกไปกอบไปโกยไปลักขโมยอะไรแต่อะไรสร้างเป็นหัวหน้าแกงหัวหน้าโจรขนาดใหญ่เะยครับปล้บ้านปล้นเมืองได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ระดับใช้ที่ปรจักสูขได้ใช้ที่ประโสนิได้เนี่ยจะไม่มีความคิดที่กอ่อเป็นโลภะโทสะโมหะแรงๆนะฮะขนาดไปล่วงระเบิดสิีคนดึก แต่ทีนี้ก็ต้องการดูเพื่ออนุเคราะห์คนเหล่านั้นต้อการดูเพื่ออนุเคราะห์คนเหล่านั้นถ้ากว่าท่านไม่ตั้งใจจะดูมันก็ไม่เห็นน่ะตามปกติก็ใช้มางศา จ, จะสุขคือตาเนื้อนี่แหละแต่ว่าถ้าต้องการใช้เนี่ยก็สามารถจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆตามที่ต้องการได้แล้วก็รู้ถึงภูมิหลังรายละเอียดของบุคคลเหล่านั้นด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เป็นปกติ ตอนใกล้รุ่งงแต่ละคืนหุ่ยจาก็จะใช้ที่ไปจากสุขวดดูสัตวโลกอูเป็นปกติเราเป็นผู้ฉลาดในสมาชิมันก็่อความเพียรในสม ป, ปทานคือสมาธิที่เขาชำนาญเนี่ยเขาเขาเรียกว่ามีวสีคือคล่องแคล่วชำนิชำนาญมากในสมาชิแต่สาริบุตรท่านเป็นพระหรันก็ไม่ต้องห่วงในประเด็นเหล่านี้ มันประกอบความเพียรทรงนี้เป็นการแสดงถึงว่าระดับหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะที่ทรงแสดงแก่พุท ธ, ธบริษัททั้งหลายนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระสารีบุตรท่านเข้าถึงสมบูรณ์เรายัางอยู่ไกลอยู่ก็พยายามไต่บันไดไปเรื่อยพยายามเจริญสมาธิไปเรื่อยอย่างก่อนนอนเนี่ย นอนภาวนาพุโทโธหายใจเข้าว่าพุทธให้ใจออกว่าโธหรือหายใจเข้าพุโทโธหาจออกพุโทโธนอนวางเรียรบุตรให้สบายสบายก็จะช่วยให้การหลับมันลึกขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นมีความกระปริ ก, กระป่าแข็งแรงไม่ถูกความง่วงครอบงามหรือเพราะนอนน้อยเนี่ยแต่อันนี้ก็ต้องฝึกนะเดี๋ยวก็ไม่จะง่ายธรรมดาธรรมดาหรอก ทีนี้พอหลับได้ลึกเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งทางกรรมฐานจริงๆเนี่ยท่านจะนอนไม่มากหรือนตีสีหรือก่อนตีสี่อะไรต่างๆแล้วท่านก็ลุกขึ้นได้ทํางานทําการอะไรต่างๆได้โดยจงกลมได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรตืร่ขึ้นมาก็ไม่ได้พักก่อนอะไรเพราะร่างกายถ้าเขาเลยพักจริงๆมันก็คงไม่มากเท่าไหร่ แต่ทีนี้เรามานอนหลับไม่สนิทและบางทีก็ฝันรุตรลุดซะด้วยก็เลยทำให้ต้องใช้อย่างหมอเขาบอกว่าเท่าไรแปดชั่วโมงอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าฝึกดีคงลดได้นะเพราะว่าแต่เราดูท่านที่เจริญกรรมฐ า, านแล้วเนี่ยท่านก็นอนไม่มากแต่ว่าอยู่ด้วยความเป็นผู้ตื่นประกอบความเพียรในสมปทาน ความเพียรในสมะประทานนั้นก็คือเพียรในการป้องกันบาปเพียรในการขจัดบาปเพียรในการเพิ่มพูนกุศลแล้วก็เพียรในการรักษากุศลยินนีในการจเจริญโพชุงนี่องค์ธรรมหลักเลยการจเจริญโพชุงเป็นองค์ธรรมหลักเป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัตว์รู้ธรรมหรือบรรลุธรรม เป็นพระอาหารหันต์นะฮะเรคือเราจะเห็นว่าจริงๆโพุทธสงเนี่ยเขาก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองแล้วก็เป็นอริยมรรคนั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นการเรียงในแนวของการปฏิบัติมันก็เริ่มต้นในสติก็ เ, เรียกเต็มๆเลยสติสัมโพธส่งแล้วก็ธรรมวิญญาณสัมโพธส่งวิญญาณสัมโพธส่งเราจะเห็นว่าตรงนี้มันก็คือศีลกับปัญญาไม่ใช่สมาธิกับปัญญา สติสัมโพชฌงก์ก็เป็นสมาสติธรรมะวิญยสัมโพชฌงก็คือสมาธิติดส ม, มาธังกัปปะวิญญาสัมโพชฌงก็คือสมาวิยมามะแล้วก็จากนั้นก็จะเกิดปีติความเบื่อปีนใจปสัสสธิความส ง, งบกายใจแล้วก็สมาธิแล้วก็อุเบขา เนะราเห็นว่าสมาธิก็คือสมาธิาธอุเบชาก็เป็นองค์ของสมาธิาธของเจตุตชารแต่ว่าอุเบขาในโพชงก็มีปัญญาเข้มข้นสูงขึ้นนะทีนีมน้มันเวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ข้างบนสามข้อเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานเขาเพราะตรงนี้จริงๆก็คือ สติสัมปญญาความเขียนที่รู้จ้าทรงใช้กำว่าอาตาปีสัมปัญโนสติมาวินยาโลเกะพิจาโดมนัสสังในวารสติปัฏฐานาสุขอันกิจทุกอย่างที่ระสาวกจะพึงบรรลุเราได้ทำเสร็จแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเว้นพระโลกกานาตคือพระเป็ผู้เป็นที่พึ่งของโลกคือพระพุทธเจ้าเสียไม่มีใครเหมือนเราเราเป็นผู้ฉลาดในสมาบัต ได้ชาญและวีโมกเร็วพลันเพราะท่านก็แค่สิบห้าสิบห้าวันลมเป็นเบียดอยู่สิบ้าวันเท่านั้นเองยิน ด, ดีในการเจริญโพชฌงถึงที่สุดแห่งสาวกคุณคือคุณของระดับสาวกเนี่ยเป็นสุดยอดของคุณทางสาวก คือนี้เป็นการประกาศนะเป็นการประกาศบอกกล่าวในหมู่พิกสุขด้วยกันคือถ้าเป็นคนทั่วไปนี่พูดไม่ได้คือเราต้องมีสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็บอกตามที่เราสัมผัสคำว่าอวดอุตริมุนุสธรรมหมายความไอ้สิ่งเหล่านั้นเราไม่มีจริงแล้วก็ไปอวด ให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเกิดคารวะนับถือถาวายเจตุปัจจัยทายธรรมอะไรอะไรต่างๆเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้แต่วันนี้ก็บอกในหมู่ภิกษุด้วยกันคือพินัยไม่ห้ามท่านมีจริงด้วยแล้วก็บวกในหมู่ภิกษุด้วยกันด้วยแนวเทระคาถามันจะมีแนวอย่างนี้คือบอกเล่า เป็นการรายงานถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแต่การแสดงผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเหล่านี้มันอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อนที่ฟังเนี่ยให้มองเห็นท่านเป็นตัวอย่างก็เรื่องต้นมาต้นทุนก็สูตรเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ก้าวไปได้โดยการปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ ก็เพื่อนสปรมจารีเหล่านั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปได้ข อ, อกระตุ้นเตือนเรียเราวิธีการประกาศในแนวนี้อย่างยกย่องพระเทระระดับอตตะคะเนี่ยพิยเจ้าก็ทรงทมใน้ทรกลางส่งเพื่อปลุกเราคนที่ยังหลับอยู่เนี่ยให้ตื่นขึ้นแล้วก็เพื่อน หลักดานในคนที่กำลังตื่นแต่ไม่ถึงที่สุดเนี่ยให้พยายามต่อไปเพราะว่าชีวิตนั้นมันขึ้นอยู่กับลมห้ใจเข้าออกจะเกิดดับเมื่อไรก็ไม่รู้เพเดี๋ยวอย่างไม่ันรล้เป้าหมายก็อาจจะตายเส่ในระหว่างก็ได้เพราะในสาวกขุนหรือว่าคุณธรรมของพระสาวกระดับสูงสุดสาวกแปลว่าผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟัง ตามปกติแล้วก็เรียกสมัยที่พระพุทธเจ้าสรงพระชนู่กนหลังจากนั้นก็เรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าภิกษุเรียกว่าภิกษุณีเรียกว่าสามเณรเรียกว่าสามเณรีเรียกว่านางสิกขาณามันมีคําอื่นเรียกอยู่นะแต่เราไม่เรียกว่าสาวกเพราะงั้นเราจึงมีปฐมสาวก ค, คือพระัญิจโกนทันญะและปะชิมสาวก ค, คือสุสภัททถึงเป็นคนสุดท้าย ที่ได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเองคนรุ่นหลังก็ไม่ได้ฟังเ ร, รงาเราก็เรียกสมณนสักยบุตรยังเรียกได้อยู่นะฮะยังเรียกได้อยู่ก็ฟั ง, ลง ท, ทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไฟบุญในธรรมยุมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี